พินหาปัจเวกห้าประการเป็นสิ่งที่เราควรพิจารณาหนึ่งๆ น, นะห้าสิบข้ออาจจะเยอะไปจําไม่ได้แต่ว่าห้าข้อเนี่ยที่เราเพิ่งสวนเมื่อกี้นี้เนี่ยสาคัญมากไม่จะเป็นต้องจดจําถ้อยคาให้ถูกต้องก็ได้แต่ว่าการระลึกนึกถึงเนี่ยมันก็ จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้แก่จิตใจของเราคือภูมิต้านทานความทุกข์นะการพิจารณาว่าเราต้องมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาแล้วก็มีความพัดพรากเจาะ ข, ของรักของชอบใจเป็นธรรมดา สีข้อแรกเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนซึ่งหมายถึงว่าจะเกิดขึ้นกับเราด้วยอาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วกำลังเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าไม่มีเลือกไม่มีเว้นไม่ว่าจะเป็นคนมั่งมีร่ำรวยมีอำนาจแค่ไหนก็หนี ความแก่ความเจ็บความตายและความพัดพรากไม่พ้นรวยแค่ไหนนะก็ต้องก็ต้องแก่นะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ต้องมีวันเจ็บป่วยและประสบความสำเร็จมากมายเพียงใดในที่สุดก็ต้องตายอันนี้ก็รวมถึงคนที่ทำความดีด้วยนะคนที่ให้ทานรักษาศีลทำความดี ก็ต้องเจอกับสิ่งเหลา่านี้อย่าไปคิดว่าฉันทำความดีฉันให้ทานรักษาศีลฉันไม่เคยทำให้หมดตายสักตัวแล้วฉันจะเจ็บป่วยไม่ได้เนี่ยมีหลายคนทีเดียวพอพบว่าตัวเองเป็นนเริง <c oughs> ก็จะอุทานขึ้นมาว่าทำไมต้องเป็นฉันฉันรักษา ท, ทำความดีมาตลอด นะแต่ทำไมถึงต้องเจอแบบนี้อันนี้ก็เพราะเขาไม่ได้พิจารณาความจริงณนะว่าในความแก่ความเจ็บความตายมันเกิดขึ้นกับทุกคนแม้แต่ยังแม้จะยังไม่เจอจังๆนะแต่ว่าก็ต้องเจอความพัดพรากเป็นคนดีแค่ไหนก็ต้องเจอความพัดพลาด อายุยืนแค่ไหนก็ต้องเจอกับความพัดพราะยิ่งอายุยืนมากเท่าไหร่อายุปดสิบร้อยหนึ่งก็ยิ่งต้องเจอความพัดพลาของลูกของหลานของเพื่อนเราอายุยืนจริงแต่ว่าคนหนึ่งเขาค่อยล้มตายไปก็ล้วนแต่เป็นคนที่เรารักเป็นคนที่เราผูกพันเพราะฉะนั้นการที่จะมีอายุยืน มันก็ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปนะถ้าหากว่ายังทําใจไม่ได้นะกับความพัดพราคสูญเสียใครหลายๆคนก็อยากจะมีอายุยืนอยากจะมีอายุยืนนะแต่ก็ไม่ได้มองว่าถ้าอายุยืนจริงๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาต่อเมื่อได้มีอายุยืนเขาจริงๆก็เลยรู้ว่าโอ มันก็ไม่ใช่ดีเสมอไปมีคุณย่าหรือคุณทวดดีกว่นะคุณทวดของเพื่อนคนหนึ่งอายุ9ก้ากว่าก็ตอนที่เสียชีวิตก็อายุเกือบร้อยตอนอายุเก้าสิบก็มีลูกหลานมาอวยพรก็บอกขอให้ทวดนี่อายุยืนท่านก็ตอบว่าไม่ไหวแล้วหลานเอ๋ยนะ เพอรับพรให้อายุยืนมาจนอายุยืนถึงป่านนี้แล้วรู้เลยว่ามันทุกข์ทุกข์มากเหลือเกินเพอรับมาต้องนานตอนนี้ไม่รับแล้วนะพรนีนะ้ไหนจะสังขารไหนจะเจอความพักพราแในแต่นางวิสาขานะซึ่งเป็นผู้ที่เรียกว่ามีบุญมากนะ ทั้งร่ำรวยทั้งมียศมีบริวารแล้วก็มีอายุยืนหนึ่งยบปีก็ยังทำใจไม่ไหวหลานเสียชีวิตก็ทำใจไม่ได้ร้องไห้มาเฝ้าพระพุทธเจ้านะพระพุทธองค์ก็เลยตรัสว่าเนี่ยนะว่า ถ้าหากว่ามีรักร้อยนะก็มีทุกร้อยนะทุกเพราะว่าความพัดพรากของคนที่ที่รักคูณหลวงก็จัดว่าเนี่ยเคยถามว่าเนี่ยถ้าให้ถ้าจะอยากมีลูกมีหลานมากๆเี่ยจะเอาไหมนะักวิสาเขาบอกว่าดีแต่ก็อาจจะมองไปว่ามีมากนะก็ ต้องเจอความพัดพรากมากตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเราไม่ได้ตระหนักถึงอันนี้ไว้เลยเนี่ยไม่ว่าจะร่ำรวยแค่ไหนไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ต้องเจอความทุกข์เนื่องมาจากความจริงสีประการนี้ แกเจ็บตายแล้วก็พัดพรากแต่คนก็ไม่ค่อยตระหนักนะเขาก็ยั ง, ยงเวลาทําบุญก็อธิษฐานขอให้รวยนะอธิษฐานขอให้มีอายุยืนอธิษฐานขอให้มีอํานาจวาสนาโดยที่ไม่ได้นึกว่าแม่รวยแม่อายุยืนแม่มีอํานาจวาสนาแล้วนะก็ต้องเจอกับ ความจริงสี่ประการนี้แทนที่จะอธิษฐานว่าเออท่านเป็นไงฉันฉันถึงจะไม่มีความทุกข์เมื่อเกิดเมื่อประสบกับความจริงสี่ประการนี้ก็ก็ไม่ได้มองไม่ได้ตระหนักพอคิดไปว่าถ้ารวยแล้วก็จะมีความสุขถ้ายิ่งใหญ่หรือมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็จะมีความสุขไปทั้งหมดมันก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่รับประกันแห่งความสุขเพราะว่า แม้มีสุขภาพดีแต่ว่าต้องเจอความพัดพลากสูญเสียของคนลักของลูกของหลานมันก็ทำใจลาบากนะบางคนก็ไม่อยากมีชีวิตยอยู่เลยสุขภาพที่มีกลายเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายเพราะว่าอยากจะทำร้ายตัวเองเพราะทนกับความพัดพลากสูญเสียวันนี้ก็ไม่ได้สูญเสียคนรักอะไรนะเพียงแต่ธุรกิจล้มละลายนะก็ทำใจไม่ได้ แล้คนก็ไม่ได้ตระหนักนะก็ยังคิดว่าขอให้รวยขอให้รวยขอให้มั่งมีขอให้มีบริษัทบริวารเยอะๆนี่เพราะเขาไม่ได้ตระหนักถึงความจริงสประการนี้ว่าจะต้องเกิดขึ้นกับเขาอถ้าคนเราถ้าเราลึกถึงความจริงสประการนี้อยู่เสมอก็จะรู้ว่ารวยไปก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขเสมอไปนะอยังอายุยืนก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขเสมอไปมีบริษัทบริวารมากๆก็ไม่ใช่จะมีความสุขเสมอไป คนถ้าตระหนักเช่นนี้ก็จะหันมามาปฏิบัติธรรมมาฝึกจิตฝึกใจให้มากขึ้นเพื่อจะได้สร้างภูมิต้นานทานภูมิต้านทานความทุกข์ไม่ใช่ต้านทานความแก่ไม่ใช่ต้านทานความเจ็บไม่ใช่ต้านทานความตายอันนั้นมันมันต้านไม่ได้แต่หมายความว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราจะทำใจยอมรับมันได้อย่างไร อันนี้แหละก็จะนํามาสู่ข้อที่5พิจารณาข้อที่5เป็นเรื่องกรรมทั้งนั้นเลยนะโดยเพราะตอนท้ายบอกว่าเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอันนี้แหละนะถ้าต้องการจะหลีกนี้จากความทุกข์เนื่องจากแก่เจ็บตายแล้วพัดพลากไม่มีทางอื่นนั้นก็ต้องสร้างกรรมสร้างกรรมดี กรรมดีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการทําบุญให้ทานรักษาศีลอย่างเดียวแต่ต้องรวมถึงการบําเพ็ญภาวานาด้วยทำไมบําเพ็ญภาวานาอย่างที่บอกไว้แล้วว่าให้ทานรักษาศีนมันก็ต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความป่วยเจอความพัดพรากวันยังค่าแต่ถ้าว่าเราเราภาวานาอยู่เสมอโดยเพราะ การระลึกถึงความจริงสี่ประการนี้เนี่ยอภินัปัประเวทการระลึกถึงความจริงสี่ประการมันช่วยได้มากนะก็เรียกเป็นภาวนาเหมือนกันอันนี้ก็รวมไปถึงมรณะสะติด้วยนะแต่มรณะสะติก็ยังแคบอยู่อภินันปัจเวันี้คลุมไปถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความพัดพลาดเมื่อเราพิจารณาอยู่เสมอเราก็จะ ทำใจยอมรับมันได้มากขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นก็จะไม่ทุกข์มากขณะเดียวกันขณะที่มันยังไม่เกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะพยายามใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เพื่อที่จะรับมือกับสิ่งที่จะตามมาเราก็ทําได้อย่างมากกว่าแค่หนุ่งเหนียวเอาไว้ให้เกิดขึ้นช้าที่สุดเช่น หน่วงเหียให้ความแก่เกิดขึ้นช้าหน่วงเหนียให้ความเจ็บเกิดขึ้นช้าหรือป้องกันมันแต่มันก็มีโรคหลายอย่างที่ต้องตามมาในที่สุดเมื่ออายุยืนโรคความชรานะีมันก็ต้องเกิดขึ้นจนได้หัวใจอ่อนแอตายไม่ดีก็ต้องเกิดขึ้นกับคนแก่ที่มีอายุยืนอันนี้ก็หน่วงเหนียวได้เท่านั้นแหละแต่ป้องป้องกันจริงๆไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเนาะ ก, การความไม่ประมาทนี่นอกจากหมายถึงการเตรียมตัวแล้วก็ต้องเตรียมใจด้วยเตรียมใจด้วยการระลึกถึงความจริงแล้วก็ภาวนาเพื่อว่าเมื่อมันเกิดขึ้นเราก็ปล่อยวางได้ไม่ไปเสียดายกับสุขภาพที่เคยมีสมัยก่อนอเคยมีความเข้มแข็ง แข็งแรงไปไหนมัาได้ได้แต่ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ก็ยอมรับมันไม่ไม่มาจมอยู่กับอดีตที่เคยงดงามแต่ก่อนเคยสวยเคยหล่อแต่ตอนนี้ก็ชราไปไม่สวยเหี่ยวย่นก็ยอมรับได้ไม่มาเสียดายกับอดีตที่เคยสวยงาม และการอยอมรัความจริงได้เนี่ยมันก็ทําให้เรามีภูมิต้านทานกับความทุกข์ไดนะ้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของกรรมนะคือกรรมดีกรรมเดี๋ยวนี้คนไทยเราเข้าใจผิดพลาดกันมากไปเข้าใจว่าหมายถึงเรื่องของอดีตนะกรรมนี่ไปนึกถึงอดีตกรรมในอดีต หรือบางทีก็ไป่กลถึงอดีตชา ต, ติที่จริงกฎแห่งกรรมในพุทธศาสนาเนี่ยเน้นเรื่องกรรมในปัจจุบันมากกรรมในอดีตเนี่ยเราแก้ไขไม่ได้แล้วก็ต้องรับกรรมจากอดีตอย่างเดียวอันนี้ก็คือความหมายที่ว่าเราเป็นทายาทแห่งกรรมเราต้องรับผลของกรรมที่ทำไว้ในอดีตแต่ในเวลาเดียวกัน เราก็สามารถสร้างกรรมใหม่ได้อันนี้คือความหมายว่าเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธ์เรามีกรรมเป็นเผาพันธ์คือเราสามารถสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาและถ้าเราสร้างกรรมดีกรรมนั้นก็จะเป็นที่พึ่งอาศัยของเรานะสร้างกรรมดีเรื่องธาเรื่องศีลอนนั้นก็ช่วยเราได้เยอะปกป้องไม่ให้เราได้รับอันตรายแต่ว่าปกป้องได้ไม่ไม่รเ็หรอก เพราะว่าทำดีแค่ไหนก็ต้องเจอกับไอ้สีประการนี้แหละแก่เจ็บตายพัดพลาดแต่ว่าถ้าเราเจริญภาวนาเข้าใจความจริงของชีวิตรู้เท่าทันอนิจจังนะมันก็ไอ้ความแปรเปลี่ยนมันก็ทำอะไรจิตใจเราไม่ได้ของนี้ก็ต้องเป็นเรื่องการฝึกปลือนะก็คือสร้างกรรมใหม่นั่นเอง ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เน้นการกระทำ ม, มากเรียกว่ากรรมวารีเพราะว่าไม่มีพระเจ้าแต่พอเข้าใจเรื่องกรรมไม่ถูกเนี่ยก็ไปเข้าใจว่าสุขทุกข์ของเราเกิดจากกรรมเก่าอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่แพร่หลายมากพระพุทธองค์ตัดว่าอันนี้เป็นลัทธินอกพุทธศาสนา ลัที่นอกพุทธศาสนานมี3ประการอันที่1คือความเชื่อว่าสุขทุกข์เกิดจากการดลบันดาลของพระเจ้านะอันที่สองคือความเชื่อว่าสุขทุกข์ในปัจจุบันเกิดจากการกระทําในอดีตนะแล้วเลือบปุเพกตะว่านะอันนี้ก็ไม่ใช่พุทธศาสนานหรืออันหนึ่งก็บอกว่าสุขทุกข์นั้นเนี่ยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนะเป็นความบังเอิญ อันนั้นก็ยิ่งไม่ใช่พุทธศาสนาใหญ่เพราะฉะนั้นใครที่พูดว่าใครที่รู้สึ ว, ว่าอออะไรก็อ้างกรรมเก่าที่เป็นอย่างนี้เพราะกรรมเก่าเป็นอย่างนี้เพราะกรรมเก่าโดยหมายถึงอดีตชาตินี่ไม่ใช่แนบางครั้มันอาจจะไม่ได้หมายถึงกรรมในชาติปัจจุบันด้วยก็ได้เพราะว่าการที่เราเจ็บป่วยนี้อาจจะเป็นเพราะเหตุปัจจัยอย่างอื่นพุทธศาสนาบอกว่ามี มีกฎธรรมชาติอยู่นะหประการอันที่หนึ่งก็คือปีชนิยามเป็นเรื่องเกี่ยวกฎกฎ<ด><ด>เกี่ยวกับการสืบพันธุนะ์อันที่สองอุตุนิยา ม, ายามกฎเกี่ยวกับเรื่องสิ่งภูมิอากาศบางคนเจ็บป่วยก็เพราะาเป็นเพราะเชื้อโรคหรือเป็นเพราะยีนอันนี้ก็เลยเป็นเพราะปีชนิยาม บางทีก็เป็นเพราะอากาศอากาศไม่ดีนะแต่ป่วยก็ทำให้เจ็บป่วยได้อีกอันนึงก็คือจิตนิยามก็คือเรื่องเกี่ยวกับจิตนะอย่างเช่นเวลาเราเวลาเราเหงื่อออกเนี่ยเหงื่อออกเพราะแดดร้อนก็ได้หรือเหงื่อออกเพราะตื่นเต้นก็ได้ันะไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นเพราะกรรมอย่างเดียวบางทีก็มันเป็นเพราะสิ่งแวดล้อม พิชญนิยามอุตุนิยามจิตนิยามกรรมนิยามแล้วก็ธรรมนิยาม5ประการอันนี้คือสิ่งที่มากําหนดความเป็นไปของเราเพราะฉะนั้นก็ให้ให้รู้ว่ากรรมนิยามหรือกฎแห่งกรรมนี่ก็เป็นแค่กฎหนึ่งใน5ที่มีผลต่อสุขและทุกข์ของเรานะธรรมนิยามก็คือเรื่องนี้แหละนะอันนี้จังทุกขังอนัตตานี่แหละ เป็นข้อเป็นความจริงที่ครอบคลุมทุกอย่างเอ็นถ้าเร า, เราเข้าใจว่าตระหนักว่ า, วาเราไม่ได้เ ร, ไไดเราไม่ได้เป็นผลของกรรมในอดีตล้วนๆอย่างเดียวนะแล้วก็ไม่ได้เกิดจากากรรมที่เพิ่งทำเท่านั้นนะแต่ว่าเรามันยังมีเหตุปัจจัยต่างอีกมากมายที่มาส่งผลต่อสุขหรือทุกข์ของเรา เราทำพุทธศาสนาในเรื่องกรรมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถแก้ไขได้จัดการได้เรื่องดินฟ้าอากาศนี่เราทําอะไรไม่ได้เรื่องพืชพธุ์สิ่งแวดล้อมเราทำอะไรไม่ได้นะแต่เรื่องของกรรมเนี่ยมันอยู่ในอํานาจของเราพุทธศาสนาก็เลยเน้นเรื่องกรรมมากนะโดยเน้นว่าเราสามารถสร้างกรรมใหม่ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องยอมจํานวนต่อกกรรมเก่าอย่างเดียว เราควรไปเข้าใจว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมอันนี้ไม่ถูกต้องถึงแม้ว่ากรรมเก่าจะมีผลต่อเราแต่ว่าเราก็สามารถสร้างกรรมใหม่ได้อันนี้คือสิ่งที่ทำให้มนุษย์เนี่ย <Yeah. S 1> เรียกว่าประเสริฐกว่าหรือว่าอยู่ในสถานะที่ดีกว่าชีวิตในภพอื่นเพราะว่าภพอื่นนั้นเนี่ยก็เรียกว่าใช้กรรมอย่างเดียวเป็นส่วนใหญ่ แต่มนุษย์เราไม่เพียงแต่ใช้กรรมในอดีตเท่านั้นแต่ว่าสร้างกรรมใหม่ได้ด้วยอันนี้คือเหตุผลเหตุผลประการหนึ่งว่าทำไมเทวดาเนี่ยเวลาจุดติแล้วเนี่ยก็อยากจะมาเกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์อยากไปเกิดเป็นเทวดานะแต่เทวดานี่อยากมาเกิดในโลกมนุษย์นะเพราะว่ามนุษย์นั้นเนี่ยนอกจากมีสติมีความกล้าแล้วก็ยัง ยังสามารถสร้างกรรมใหม่ได้ซึ่งเป็นกรรมดีจนสามารถจะกลายเป็นพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าได้อาจจะบรรลุธรรมในในภพอื่นนยากนะอายุเวชานาคาเมียก็อาจจะบรรลุธรรมในสวรรค์ชั้นสุดทาวาสแต่นอกนั้นนี่ก็ต้องมามามาบำเพ็ญมาบำเพ็ญภาวนากันในโลกมนุษย์เพรอมนุษย์นั้นเนี่ยเจอทั้งสุขทั้งทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะเห็นเข้าใจชัดในเรื่องของไตรลักษณ์เนทะวดานี่สวยสุขอย่างเดียวก็เลย <c oughs> ไม่ไม่มียากที่มีปัญญาเข้าใจเรื่องไตรลักษณ์การหลุดพน้นที่เกิดขึ้นได้ยากนะมีนำซ้ำบางทีอยู่ในสวรรค์นานเนี่ยก็นึกว่าเป็นมีตัวมีตนอย่างพวกพรหมเนี่ยนะเวลาย้อนระลึกชาติกลับไปในอดีตเนี่ยก็เห็นแต่ตัวเองในพวกกวนก่อน ไม่มีที่สุดก็นึกว่ามีตัวตนนะคือเป็นเทวดาเป็นพรหมจนกระทั่งไม่คิดว่ามันมีการเกิดดับเกิดขึ้นนะแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยมันได้เห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเจอความพัดพรากซึ่งเหล่านี้เนี่ยถือเป็นวัตถุดิบในการที่ทำให้เราเกิดปัญญาเข้าใจใจลักแล้วก็จงกระทั่งปล่อยวางจากความยึดติดถือมั่นได้ เพราะฉะนั้นไ อ, อ้คอกกรรมหรือความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยโดยเพราะสีประการเนี่ยนะความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดพวกนี้เป็นของดีนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ย้าเตือนเราให้เกิดปัญญาขึ้นมาดละนนี้แหละคือสิ่งที่เราสามารถที่จะมันอยู่ที่มุมมองของเรานะถ้าเรามองให้เป็นเนี่ยก็ถือว่าเรา ฉลาดอันนี้ก็เป็นเรื่องกรรมเหมือนกันนะก็คือว่าเป็นการมองให้เป็นมองให้เป็นก็เห็นประโยชน์แม้ว่าแม้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราถ้าเราฉลาดในการมองเราก็สามารถจะเอามาใช้ใเป็นประโยชน์ได้แม้ว่าจะเป็นความทุกข์ความพัดพลาดแม้ว่าจะต้องเจอกับวิบากกรรมในอดีตก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นของดีได้ อย่างนางสามาวดีเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งนางสามาวดีเป็นคนดีมากนะเป็นแม่สีพระเจ้าอุเทนเป็นอุบาสิ ก, กาคนสําคัญนะของพระพุทธเจ้าแต่ว่ามีเป็นที่อิจฉาของแม่สีคนหนึ่งก็คือนางมคันธียานางมคันธียาอิจฉาพระนางสามาวดี นานมาคันธยานี่ก็อิจ ก, ก็เกลียดพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้าเนี่ยเคยปฏิเสธนางมาแล้วพ่อของนานมาคันธยาเคยจะยกให้พุทธเจ้าพระองค์ก็ปฏิเสธนานมาคันธยาก็เลยโกรธฝังใจเมื่อมาเป็นไม้เสืพระเจ้าอุเธนก็หาทางกานแกล้งคนที่ศรัทธาในพระพุทธองค์กานแกล้งหลายอย่างนะใส่ร้าย พระนามาคธิยาก็รอดพ้นมาทุกครั้งเพราะความดีแต่ก็ครั้งสุดท้ายก็หนีไม่พ้นถูกรลอยเข้าไปในในในปราศาทในคลังผ้าพร้อมกับบริวารอีก5้าร้อยพะนามาคธิยาก็ปิดล็อกเอาไว้จุดไฟเผาจุดไฟเผาก็เรียกว่าไฟคลอกตาย ต่อมาก็มีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทําไมคนดีอย่างนางนางสามาวดีถึงต้องตายแบบนี้ตายไม่สวยพูดง่ายๆพระพุทธเจ้าก็บอกว่าที่จริงการตายของนางเนี่ยไม่สูญเปล่านะเพราะว่าแต่ละคนก็ได้บรรลุธรรมขั้นสูงเป็นโสดาบ้างสกิธาบ้างอนาคาบ้างเพราะว่าในระหว่างที่ถูกไฟ ถูกไฟครลองเนี่ยนางสามาวดีเนี่นอกจากจะแผ่เมตตาให้กับนามาคันธยาแล้วก็ยังเจริญกรรมาฐานเอาเวทนาเป็นอารมณ์เอาความเจ็บปวดจากไฟนี่แหละมาเป็นอารมณ์พิจให้เห็นเวทนาเห็นเฉยเฉยไม่ไม่ไม่เป็นนะแค่เห็นเห็นเวทนาแต่ไม่เป็นผู้ปวดก็ทําให้บรรลุธรรมขั้นสูงก็เห็นเลย ว, ว่าสังขารเป็นทุกข์มาก ก็ปล่อยวางได้ก็บรรลุธรรมขั้นสูงที่จริงนางสมมาวดีก็เป็นพระโสดาบันมาก่อนแล้วพระโสดาบันมาก่อนแล้วนะแต่ว่าเหตุการณ์ข้งนั้นก็กทําให้บรรลุธรรมขั้นสูงขึ้นมาอีกแล้วพระองค์ก็อธิบายว่าที่นางสมมาวดีเนี่ยเจอไฟคลอกแบบนี้ก็เพราะว่าในชาติก่อนเคยทําเช่นนี้กับพระประเจ้าพุทธเจ้าทีแรกก็ไม่ตั้งใจนะคือนางก็เป็นนางก็ เป็นอะรเรียกว่าเหสีของเมืองเมืองหนึ่งของกษัตริย์เมืองหนึ่ ง, ง, ก, ง, งก็ไปส่งน้าในชนบทแล้วก็พอขึ้นมาก็หนาวหนาวก็เลยต้องจุดไฟก็เห็นมีกองฟางอยู่ก็เลยจุดไฟเพื่อให้ความอบอุ่นแต่ปรากฏว่าในกองฟางนั้นมีพระประเจรพุทธเจ้ากำลังบำเพ็ญ น, นิโรธสมาบัติอยู่นาสมวติพอรู้เข้าตกใจ อยากจะปกปิดความผิดก <P it> ็เลยต้องการทําลายหลักฐาน <P it> คราวนี้ต้องการเผาให้หมดเลย <P it> เผาไม่ให้เหลือเลยไม่ให้เหลือซากจะได้ตัวเองพ้นผิดครั้งแล้วไม่ตั้งใจครั้งแล้วไม่ตั้งใจแต่ครั้งที่สองตั้งใจก็เผานะตามเรื่องว่าพระพิเจ ษ, ษ, ษพุทธเจา้านี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นอะไรนะแต่ว่าการรมที่ทําไว้เนี่ยก็ทําให้ในชาติต่อมาก็ถูกไฟคล อ, อกตาย การที่นางเจอไฟคร อ, อกตายนี้ก็ถือว่าใช้กรรมนะแต่นางไม่ได้ใช้กรรมอย่างเดียวสร้างกรรมใหม่ในเวลาเดียวกันด้วยก็คือเอาเอาวิบากกรรมนั่นแหละเอาข้ อ, อ ก, กรรมนั่นแหละมาใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการทำกรรมฐานนะก็บรรลุรมได้ถ้าไม่เจอไฟคล อ, อกก็อาจจะไม่บรรลุทมขั้นสูงก็ได้นะ มีหลายคนที่บรรลุธรรมเป็นโสดาบันมาตั้งแต่ยังสาวอย่างเช่นนางวิสาขานี่บรรลุธรรมเป็นโสดาบันตั้งแต่เจ็ดขวบแต่ว่าจนถึงร้อยร้อยยี่ก็ยังไม่ไม่สามารถจะเลื่อนขั้นเป็นสกิทาหรืออนาคาได้แต่ว่านางพระนางสามาวดีนี่เลื่อนขั้นได้เร็วมากก็เพราะเจอเจอวิบัติกรรมเจอวิบัติภัยมันก็กลายเป็นตัวเร่งให้การปฏิบัติธรรมจเจริญก้าวหน้า มันกลายเป็นดีไปได้นะเจอลายเนี่ยแต่เปลี่ยนให้กลายเป็นดีไปได้ก็คือบรรลุธรรมขั้นสูงอันนี้คือการรู้จักใช้กรรมให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวนี้เราไปเข้าใจว่าใช้กรรมคือว่าเราต้องชดใช้กรรมเก่าที่เคยทําไว้แต่เราไม่ได้มองว่าจริงๆกรรมเก่าเราก็มาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ความแก่ความเจ็บความป่วยก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ความพิการก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างอากระทำผลก็ก็ใช้ความพิการให้เป็นประโยชน์ จงกระทั่งเข้าใจธรรมะนะแล้วก็มีจิตใจปลอดโปร่งเหนือคนทั่วไปพูดอย่างนี้เนี่ยคือว่าทํำไมพิ ก, การก็อาจจะยังเหมือนพวกเราคนทั่วไปก็ได้คือว่าใช้ชีวิตในทางโลกอาจจะไม่มาสนใจธรรมะเลยก็ได้แต่ว่าพอเจ็บป่วยพิ ก, การเข้าก็เลยชีวิตก็เปลี่ยนหันมาสู่ทางธรรมอันนี้ก็เป็นผลแห่งภาวนา ทั้งก า, การที่เรามาภาวนาเนะีมาฝึกจิตเจริญสติสำคัญมากอย่าเอาแต่ความสงบอย่างเดียวเพราะความสงบที่มีนั้นเนี่ยมันมันชั่วคราวมันชั่วคราวแต่ถ้าเราได้สติได้ปัญญากลับไปมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีเครื่องมือในการที่จะรับมือความทุกข์ไม่ว่าจะมาในลักษณะใดอย่าว่าแต่ความแก่ความเจ็บเลยนะความพัดพ่าสูญเสีย หรือความตายเราก็สามารถจะเอามาใช้ใเป็นของดีได้นะอันนี้เราถึงบอกว่ากรรมประมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนะเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยก็คือกรรมที่เป็นได้แก่การเจริญภาวนานี่เองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหันมาภาวนากันมากๆนะโดยว่าถ้าเรามีสติ มีสติดีนะมีสติไวเวลาเจอทุกขเวทนาเนี่ยทุกเวทนามนก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าที่ทุกเวทนามันบีบคั้นจิตใจผู้คนก็เพราะว่าไม่มีสติก็ไปยึดเอาเวทนาเป็นเป็นเป็นเราเป็นของเราไปเวทนาเกิขเดขึ้นความเจ็บปวดวเกิดขึ้นก็ไปรูป้สึกตามมาทันทีว่าฉันเจ็บฉันปวด นะแทนที่จะเห็นความเจ็บความปวดเกิดขึ้นก็ไปยึดว่าเป็นความเจ็บของฉันความปวดของฉั น, นะ น, นการเจริญสติเนี่ยคือการทำให้เราได้รู้ให้เราเห็นเวทนาไม่ใช่เฉพาะทุกขเวทนานะั้นแต่รวมสึกถึงสุ ข, ขเวทนาด้วยก็อย่าไปเพลินกับมันนะสุขเวทนาก็ไม่เพลินไม่มีกําหนัดในเวทนานั้นพระพุทตงตัดว่าถ้ามีถ้ารู้เห็นเวทนา ไม่ว่าสุขหรือทุกข์แล้วไม่มีกำนัดในเวทนา น, นั้นนะโดยเฉพาะาถ้าเห็นโทษของเวทนา น, นั้นด้วยคือสุขคเวทนาก็มีโทษนะไม่ใช่แต่ทุกขเวทนาเท่านั้นที่มีโทษสุขเวทนาก็มีโทษมันทําให้เพลินทําให้ลืมทําให้หลงทําให้เกิดความยึดติดเมื่อเห็นโทษหรือเห็นอาชินวะแล้วเนี่ยไอความความยึดติดอุปทานก็จะก็จะบรรเทา เบาบางจนหาที่เกิดไม่ได้อุปทานนี่ก็เป็นตัวสําคัญนะที่มันทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาดัางการมีสตินี่มันช่วยช่วยทําให้ลดละอุปทานได้ซึ่งทําให้ทุกขเวทนาเนี่ยมาบีบคั้นจิตใจได้น้อยลงมันก็บีบคั้นได้แต่ร่างกายแต่จิตใจบีบคั้นไม่ได้นะก็เรียกว่าทุกข์กายแต่ไม่ทุกข์ใจเอาไว้ห น, น้นพอแก่ก็ดีเจ็บก็ดีป่วยก็ดี มันก็ทุกข์แต่กายแต่ว่าใจไม่ทุกข์ถึงเวลาจะตายก็ก็ไม่หวั่นกลัวต่อความตายนะพร้อมยอมรับความตายก็ไม่มีอะไรที่ต้องทุกขนะ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเราพิจารณาความจริงสีประการอยู่เสมอแล้วก็หมั่นบําเพ็ญภาวนานะโดยถือว่าสุกขทุกข์มันอยู่ที่เราอยู่ที่การกระทําของเราอยู่ที่กรรมของเร า, เราก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถจะ ยกจิตอยู่เหนือให้ความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากได้อันนี้ก็คือสิ่งที่จะทำให้เราเป็นอิสระจากความทุกข์ได้อ่าลราก็คำนี้ก็พูดกันตอนนี้อ่ะครับพระพ